ให้จับทางสายนี้นะนี่แหละต้นทางให้เดินไปตามทางนี้ล่ละอย่าปลีกทางนี้และจะเข้าถึงวัดพอเขาบอกอย่างนี้แล้วเราก็ไปไปทั้งมืดมืดไปพอส่วมซ้ำซ่วมซ้ำเข้าไปในวัดจากนั้นก็ดูนั้นดูนี้มืดมืดจนไปเห็นศาลาหลังหนึ่งทําให้สงสัยนะ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 ท่านกั้นห้องศาลาพักอยู่นั่นพักจหวัดอยู่ที่ห้องศาลาเล็กๆนั่นน่ะเราก็เดินส่วมซ้มส่วมซ้า ม, มองนั้นมองนี้ไปก็เราไม่เห็นนี่มันกลางคืนแล้วท่านก็ยืนอยู่ใกล้กๆนี้ท่านเดินไปจนพบท่านอาจารย์มั่นบนทางจงกรมท่านอาจารย์มั่น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 ด้วยทราบว่าท่านมีความรู้ในภาคปริยัตเต็มภูมิมหาปริยนและนักธรรมเอกและมีความสนใจใครต่อการประพฤติ ป, ปฏิบัติบทธรรมหมดนี้แม้จนบัินี้ยังคงฝังลึกภายในใจของท่านตลอดมาดังนี้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 แยกไปไหนไม่ได้มีแต่ขวางแต่หนามเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงด่นดานๆไปอย่างนั้นแหละรกรุมรังหากพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปพอไปถึงที่แห่งหนึ่งก็มีก็ไผ่น่าหน า, นาล้มทับขวางทางไว้หาหนทางไปไม่ได้ จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองฝากทางก็ไม่มีทางไปเอนี่เราจะไปยังไงนาเสาที่นั่นเสาที่นี่ไปก็เลยเห็นช่องช่องที่ทางเดินไปตรงนั้นแหละเป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบึกบืนไปให้หลวมตัว กับบาทลูกหนึ่งพอไปได้เมื่องไม่มีทางไปจริงๆก็เลื่องจีวร อ, ออกมันชัดขนาดนั้นนะความฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเรื่องจีวร อ, ออกพาบเก็บอย่างที่เราพาบเก็บเอามาวางนี้แหละเอาบาทออกจากบาทเจ้าของก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาทไปด้วยกลดก็ดึงไป ไว้ที่พอเอื้อมถึงพอบืนไปได้ก็ลากบาดไปด้วยลากปลดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วยบืนไปอยู่อย่างนั้นแหละญากแสนญากพยายามบึกบึอนกันอยู่นั้นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของก็พ้นไปได้เดี๋ยวก็ค่อยดึงบาดไปบาดก็พ้นไปได้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 พอไปถึงเกาะนั้นแล้วเราก็ขนของออกจากเรือแล้วขึ้นบนฝั่งเรือก็หายไปเลยเราไม่ได้พูดกันสักคำเดียวกับคนขับเรือเราก็สะพายบาตรขึ้นไปบนเกาะนั้นพอปีนเขาขึ้นไปขึ้นไปก็ไปเห็นท่านอาจารย์มั่นกำลังนั่งอยู่บนเขาบนเตียงเล็ก กำลังนั่งตาห ม, มากจกจอกอยู่พร้อมกับมองมาดูเราที่กำลังปีนเขาขึ้นไปหาท่านอา้าวท่านมหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่ท่านมหามาได้ยังไงกันกระผมนั่งเรือมา ขึ้นเรือมาโอ้โหทางนี้มันมายากนาใครๆไม่กล้าเสี่ยงตายกันมาหรอกเอาถ้าอย่างนั้นตําหมาให้หน่อยท่านก็ยื่นตะบันหมาให้เราก็ตก่ําจกจกจกได้สองสามจกเลยรู้สึกตัวตื่นแหมเสียใจมากอยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่อง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 ท่านยาท้อถอยเบื้องต้นนี้ลำบากดูท่านลอดก็ภัยมาทั้งก่อ น, นั่นแหละลำบากมากตรงนั้นเอาให้ดียาถอยหลังเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวรวางไปได้สบายจนถึงเกาะอันนั้นไม่ยากตรงนี้ตรงยากนาพอพ้นจากนี้แล้ว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 ผมเองไม่ได้เตรียมรับหมู่คณะไว้เพื่อดุด่าเคี่ยนตีโดยไม่มีเหตุผลที่ควร